เคทุกนานก็ทุกสั้นลงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่มันทําให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นมามีศรัทธาแน่นแฟนในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของลอยๆไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ตรรกวิทยาลอยๆอยนะพูดเอาสนุกไม่ใช่แต่เป็นศาสตร์จริงๆนะเป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์จริงๆโดยเฉพาะ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 เมื่อปี2526หนะลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองนท่านบอกไว้อย่างนี้นะตั้งแต่ปี26เมื่อเดือนก่อนหลวงพ่อมาเทศที่ศาลาลูงชินเนี่ยแ ว, วันรุ่งขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชานะท่านอาจา ร, รย์อนันต์วัดมักจัน์ลูกศิษย์หลวงพ่อชาเหมือนกัน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 ถ้าจะดูกายก็ต้องฝึกจนกระทั่ง ม, งมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึข้นมาให้ได้ก่อนถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยไปดูกายมันจะไปเพ่งกายเวลารู้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจนะเพ่งไปเรื่อยเถ้าเพ่งเบาเนุ่มนวลนะก็เคลิมนะถ้าเพ่งแรงแงก็เครียดอย่าไปดูท้องนะไปเพ่งท้องนะถ้าเพ่งเบาเบก็เคลิมเพ่งแรงแงก็เครียดนะไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเพ่งเท้าเนี่ย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 ไอ้ัวที่ไม่ยกก็ดูไม่ออกนะหรือไม่ก็ขี้เกียจยกนะส่วนใหญ่พอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มควานกวานก่อนเห็น ไ, ไหมเริ่มจะดูอะไรดีควานกวานกวานอย่างเงี้ยนะคนวนคว้าเจออันนี้แล้วว่าจ้อ ง, งนะอย่างเงี้ยจ้าใจก็จะนิ่งๆกลายเป็นเพ่งจิตไม่ใช่ดูจิตแล้วนั่นจะไม่เพ่งจิตนะนะี่ะอันแรกเลยอย่าไปดักดูให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้กาละที่สองหรือลำดับที่สองคือขณะที่ดู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 มันชอบมีบอ่อน้ากลมๆอะ่นะเคยเคยเห็นไหมที่มีขอบปูนนะแล้วผู้ร้ายเนี่ยมันชอบจับเอานางเอกไปโยนลงบอ่ออเงี้ยบางทีก็เอาคัมภีร์ไปโยนลงบอ่อคล้ายๆกันนะเวลาเราจะดูของที่อยู่ก้นบ่อเนี่ยเราชะโงกลงไปดูจนหัวทิ่มลงบ่อไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราต้องดูอยู่ห่างๆดูอยู่ปากบอ่ออย่าถลําลงไปจนตกบอ่อพวกเราเวลาที่ดูดจิตดูใจเนี่ยเราอยากดูให้ชัด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 บุญนักหนานะไปเจอหลวงปู่สิมเข้าหลวงปู่สิมท่านเตือนบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ที่แท้ตกบ่อไปแล้วไม่เห็นนะตกบ่อนะพอรู้ทันอ๋อใจมันถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ ด, ดูนะเห็นสภาวะผ่านไปผ่านมาคล้ายๆเราเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านใจเราอยู่ต่างหากใจเราอยู่ในบ้านใจเราไม่วิ่งตามเข้าไปนะถ้าใจเราหลงตามอารมณ์ไปหลงตามสภาวะไปนะั้นมันจะรู้ได้ไม่ชัดกอกข้อที่สามนะ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 เนี่ยอาจารยานันท์วัดมาจ้ำนะท่านก็สอนมาท่านบอกหลวงพ่อชาสอนมาว่าเวลาดูจิตเนี่ยให้ดูด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้าย น, นี่หลวงพ่อชาสอนมาอย่างนี้นะหลักอันเดียวกันครูบาอาจารย์แต่และองค์แต่และองค์ที่ท่านภาวนาเก่งๆเนี่ยท่านสอนเหมือนกันหมดเลยหลวงพู่ดุลก็สอนอย่างเดียวกันนะนนงองค์ไหนองค์ไหนก็สอนอย่างเดียวกันรู้ด้วยความเป็นกลางหลวงปู่เทศใช้สำนวนบอกรู้ด้วยความเป็นกลางนะหลวงพ่อชาบอกรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะ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 ได้แต่เชียะนะได้แต่บอกวิธีการให้บอกวิธีให้แล้วก็พยายามเชียะทุกวันนะเชียะจนแก่แล้วตอนนี้ชักเฉียะไปเชียะไ ป, ช, ไปชักหอบแล้วนะบางทีหลวงพ่อแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็เชียะเหมือนกันนะเชียะอย่างหลวงปู่ดูล น, นะมัส่งกันบ้านนะท่านก็หืมืมืมมนี่อย่างนี้นะอะสะใจมากเลยนะหืม <c oughs> อย่างนี้นะหลวงปู่เทศนะท่านเป็นคนนุ่มนวลท่านไม่อย่างนี้ท่านอืมืมอย่างนี้นะ น, นุ่มนวล ถามเราไปเรื่อยเราส่งไปเรื่อยๆพอหมดที่เราปฏิบัติเท่านี้หรอนะได้เท่านี้หร อ, อเสียดายยังยังน้อยไปหน่อยนนะครูบาอาจารย์นะแต่ละองค์นะเวลาไปหาท่านบางทีท่านเฉียนะคือท่านรุนมากเลยองค์สุดท้ายพรรษาแรกหลวงพ่อบวชพรรษาแรกนะไปกลับออกพรรษาแล้วไปกลับหลวงปูส่สวัตส่งกันบ้านท่านไปกลับท่านบอกหลวงปู่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 จิตท่านให้ตื่นตัวเต็มที่เลยแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกอนะแล้วก็บนน่นตอนนี้หยิบมันทำไหมนะครูบาอาจารย์นะจริ ง, รงๆไม่ได้หวังอะไรจากเราหรอกนะอยากให้พวกเราภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราเองพอเราภาวนาจิตใจเราเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นนะเรานี่แหละจะเป็นผู้ประกาศธรรมะต่อไปนะอย่างน้อยที่หลวงพ่อบอกนะพอเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะคนในบ้านเราก็จะตามมา คนในที่ทำงานก็จะตามมาดีกว่าโฆษณาอีกนะดีกว่าโฆษณาเปลา่ปลาๆมาปฏิบัติธรรมดีอย่างนั้นธรรมะดีอย่างนี้นะเข้าฟังแล้วเ็าไม่เชื่อหรอกเพราะ้คนที่ประกาศก็เชื่อไม่ไดนะ้แล้วเราเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนนะคุณตัดฝึกฝนตัวเองดีแล้วนะค่อยฝึกคนอื่นเข้ามาเองนะฝึกตัวเองไหมนะอ่ะเชิญถามการัการครับหลวพอ่อ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 แต่จิตเนี่ยใช้เวลาพักผ่อนไม่นานนะเราหัดเจริญสติไปคนทั่วไปนะมันหลับไปไม่นานก็ฝันแล้วจิตมันเริ่มทํางานนะจิตมันพักพอแล้วเริ่มฟุ้งแล้วที <Okay. S 2> น, นี้เราหัดภาวนาเนี่ยพอจิตมันเริ่มทํางานเรามีสติรู้ไปเรื่อยนะร่างกายก็ยังนอนอยู่บางทียังหลับอยู่เลยร่างกายกลนอยู่เลยนะลองดูสั่งให้พลิกซ้ายพริกขวามันไม่พลิกหรอก <Okay. S 2> นะสั่งงานมันไม่ได้เลยแต่จิตเนี่ยมันทํางานแล้ค่อยมีสติรูไป การที่เราฝึกนะจิตใจเราสงบสุขมีสติตามรู้กายรู้ใจไปด้วยถึงพักน้อยก็เหมือนพักมากนะหลวงพ่อเจ้าค้าแต่ว่าเวลาลูกตามรู้สึกไหมตอนหลวงพ่อเจ้าค้าน้อมใจให้อ่อนๆให้ดูดีให้รู้ทันมันนะคือเวลาโยมจะดูอารมณ์เนคะเวลาอารมณ์โกรธโทสะค่ะหลวงพ่อพอเรารู้ว่าเรามีโทสะเนี่ยมันทำไมไม่ขาดปุ๊บอะ่ี้นะใจไม่เป็นกลาง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 คือคือหมายถึงเราจะตามลมหายใจว่ารู้สึกว่ามีลมผ่านเข้าออกทางรูจมูกนี้จะเราจะพ้นราคะเราจะพ้นเกือบทั้งหันเลยนะเพ่งอนาปานสติเป็นกรรมฐานที่ทํายากเป็นกรรมฐานที่ละเอียดมากเลยเรารู้ลมสักพักหนึ่งเนี้ยสติเราอ่อนนะจิตมันจะไหลไปเกาะแล้วไปเพลินที่ลมถ้าอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าหายใจไปรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆดีไม่เหมือนกันนะหายใจแล้วเคลิ้ม การหายใจเราเห็นว่าร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูไม่เหมือนกั น, กนพยายามาให้มีสติพอมีสติจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเชิญกับสมัตการหลวงพ่อครับก็ฟังสิดีหลวงพ่อมานานพอสมควรนะครับก็ปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับเริ่มเห็นกิเลสแล้วนะใช้ได้ กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็คอยรู้เอารู้เอารู้จักใจลอยยังรู้จักไหมจับใจลอยคือใจมันแอบไปคิดน่ยใจมันเหม่อไปคิดมันหนีไปคิดเป็นระยะระยะนะของคุณมันเป็นคนช่างคิดเพราะฉะั้นถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดได้เนี่ยจะเห็นอย่งเมื่อกี้ไหลไปคิดแล้วะมันไหลแแบบไปเวลาที่จิตไหลไปคิดนะมันจะลืมกายลืมใจตัวเองตอนนี้ไหลไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเวลามันหลงไปคิดนะมันไปรู้เรื่องที่คิดแต่ว่ามันลืมกายลืมใจตัวเอง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 ใจเราอยู่ตังหะอยากให้ใจไหลลงไปอย่างนั้นใจถอยขึ้นมารู้สบา ย, บายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจอยู่ตังหะค่อยๆฝึกนะอะต่อไปอเห็นไหมตอนสง่งไม้ใจมันไหลไปหลุดออกไหมใจไหลไปกับไม้มเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไหมใจเริ่มตื่นขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้านะใจก็เริ่มตื่นรู้ว่าเมื่อกี้หลงนะใจก็เริ่มตื่น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 ศึกษาธรรมะของหลวงพ่อประมาณหนึ่งเดือนซึ่งหนูก็จะปฏิบัติทุกวันก็คือสวดมนต์จากนั้นก็นั่งสมาธิทุกวันนะคะแต่หนูยังเห็นค่ะนั่นแหละดีแต่หนูไม่ทราบว่าสิ่งที่หนูทำอยู่ค่ะถูกต้องหรือเปล่าเริ่มใช้ได้แล้วคุณสวดมนต์ไปนะคุณนั่งสมาธิไปแล้วรู้ทันจิตไปไม่ใช่สวดให้นิ่งนะไม่ใช่สวดเอาเคลิ้มแต่สวดแล้วให้รู้ทันจิตไปด้ย พุโทโธพุโทโธก็ได้พุโทโธก็คือคําสวดมนต์หเหมือนกันแต่สวดสั้นหน่อยสวดพุดโทโธพุโทโธในชีวิตประจำวันเงี้ยแล้วก็รู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตแอบไปคิดอย่าตอนนี้ยจิตหนีไปคิดละใช่ค่ะและ้วก็คอยรู้ไปเรื่อยถึงว่านหนึ่งปัญญามันเกิดน ะ, ะจิตนี้หนีไปคิดได้เองนะจิตไม่ใช่เราหรอกอย่าตอนเนี้ยจิตสงสัยทราบไหมเห็นไหมมันสงสัยขึ้นมาได้เองะเนี่ยดูไปอย่างนี้หละอื<ห>ม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 กราบนมัสการค่ะดิฉันฝั่งซีดีของของของพระคุณเจ้ามาประมาณปีหนึ่งนะคะเราก็พยายามดูดูกายดูจิตแล้วก็ก่อนนอนก็สวดมนต์บ้างแล้วก็เดินจงกรมบ้างนะคะโยมดูออกไหมจิตเราเบาขึ้นดูออกค่ะนะจิตที่หนักหนักแน่นๆแข็งแข็ ง, ขงอย่างแต่ก่อนนะัเป็นจิตที่บังคับจิตที่เพ่งไม่เดี่ยว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 ใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้แรกๆก็ต้องโกรธแรงก่อนถึงจะเห็นต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นนะจะเก่งขึ้นเรื่อยๆรไม่ได้ฝึกให้หายโกรธนะแต่ฝึกให้เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิต ก, ก, ก็รู้จิตโกรธไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงฝึกให้เห็นตรง น, นี้ไม่ใช่ฝึกให้มันไม่โกรธต่อไป ปฏิบัติในระหว่างทํางานเจ้าค่ะยังรู้สึกว่ายังมีการภาคแล้วก็มีปัญญ า, าไม่ได้ห้าไม่ได้นะพาคอ ะ, คะปัญญานําหรือคิดนําคิดด้วยเจ้าค่ะถ้าคิดนําไม่เรียกว่าปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาถึงใช้ได้ปัญญาที่จะเกิดจากการคิดเนี่ยยังใช้ไม่ได้จริง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 หนูเพิ่งฝึกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมีความจงใจแล้วก็ภาคเป็นประจำะคะท่าไม่ได้บางทีพอภาคเครง เ, เกณฑ์ไหมพอมันภาคแล้วใจเราไม่ชอบอ่ะค<า>่ะนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเป็นแม้ใจไม่เป็นกลางสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะเ<า>ช่นจิตมันอยากภาคจิตมันภาคของมันเองไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือใจเราเกิดโทสะใจเราไม่ชอบอให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนี่นะต่อไปเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายค่ะนะแล้วบางทีพอหนูภาคหนูก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองนี้ตื่นหรือแค่ภาคเราคิดเอาอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ทันว่ากําลังสงสัยอยู่ออถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะลงปัจจุบันเมื่อ น, นั้นจะตื่นขึ้นมาอืมืนะ่อ ไ, ไรห ล, ลงไปเมื่อ น, นั้นก็หลับใหม่อมืค่ะแล้วเรื่องที่หนูไม่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 ต้องสู้ค่ะแสดงว่าหนูขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าคะจานองนั้นนะออก็คือต้องแบบต้องทํากรรมฐานแบบนั่งสมาธิทุกวัน อ, อ, อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าทำบ้างนะไม่ใช่ว่าทํานานแล้วก็เคลิมที่สําคัญก็คือพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจํำวันให้มากๆนะยิ่งแต่วันหนึ่งอาไว้พระสวดมนต์สักครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นใจไหลเฉลี่ยซ้ายเฉลี่ยขวาไปคอยรู้ทันมันเป็นการซ้อมที่จะรู้ทันจิตนั่นแหละ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 แต่เวลาดูอ่ะในกฎสามข้อนั้นน่ะก่อนดูอยากดูแล้วไปจ้องไว้หรือเปล่าระหว่างดูเนี่ยอยากรู้ให้ชัดแล้วโลถล่มลงไปเพ่งหรือเปล่ารู้แล้วเป็นกลางไหมหรือรู้แล้วแทรกแซงนะไปสอบตัวเองด้วยสมข้อนี้แหละค่ะ ข, ขอบคุณค่ะมีกี่คนลอคคะอุศลยรรมสัสการ มาสการค่ะหลวงพ่อคือฟังหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เริ่มปฏิบัตินะแป๊บหนึ่งนะขอเวลานอกคนที่ส่งการบ้านเสร็จไปรู้สึกไหมไปทําอะไรอยู่เอ้ยไม่ใช่สิคนละคนไปชี้เอาคนข้างหลังเขาละเมื่อกี้ใจลอยไม่ใช่คนคนข้างหลังจริงๆนั่นแหละเออใจลอยอา้าค่ะกจะ็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกที่นานๆก็จะทุกสั้นลงอืแต่อย่าน้ําใจให้นิ่งนะ น้อมใจให้เนียนเนียอย่าทำอย่างนั้นให้รู้อย่างที่เขาเป็นตอนนี้มีการดัดแปลงจิตใจดูออกไหมจิตใจเรานุ่มนวลกว่าความเป็นจริงะนะอ ย, อย่าดัดแปลงมันให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขาแล้วก็ตอนที่ปฏิบัตินี้จะปฏิบัติในรูปแบบมีสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยแล้วก็ขณะที่นั่งสมาธิไปเนี่ยก็จะรู้ตามรู้กายแล้วก็รู้จิต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 แม่ชีได้เห็นแสงสว่างทางธรรมบ้างจากการได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่แม่ชีปฏิบัติอยู่ก็คือเห็นการไหลของจิตที่เร็วมากมบางครั้งแม่ชีรู้สึกเหนื่อยว่าตามรู้แม่ชีก็ต้องเอาพุโทโธทำมือสังโคเป็ น, เ ป, นเป็นหลักก็ยังเห็นว่ามันไหลไปก็มองมันไปอย่างเหมือนบางครั้งก็ แ, แอบยิ้มว่าปัญนาของแม่ชีอยู่ตรงที่ต ร, ทตรงที่มันไหลไปเนี่ยจิตยังไม่เป็นกลางนะใจ <Okay. S 2> ยังไม่ชอบ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 ซึ่งตอนนั้นแม่ชียังไม่ได้ปฏิบัติมากมายก็เห็นแล้วแป๊บหนึ่งก็รู้สึกดีใจและแม่ชีรู้สึกไหมถ้าพยายามปฏิบัติให้มากมายเพื่อจะเห็นแนตะ่มันไม่เห็นใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะโลภะมันเกิดเข้าใจใค่ะแล้วแม่ชีก็อ่อานหนังสือมากคืออ่านของหลวงพ่อเล่มสีฟ้าก็ได้คําตอบมากมายก็เฝ้าดูต่อไปแต่ตอนนี้คือการเรียนหลวงพ่อว่าแม่ชียังติดขัดอะไรไหมคะหรือว่าถูกต้องแล้วมีการประคองใจไว้หน่อยนึงนะค่ะยังประคองอยู่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 ไอ้ตัวไหนที่มันดูเหมือนไม่มีมันมีแล้วตอนที่เห็นพอมันมีเยอะตอนแรกมันมีที่ตกใจด้วยว่าเอ้ยเราเยอะขนาดนี้เลยเหร อ, อเยอะกว่าที่ใช่ใช่เจ้าขายเยอะมากแล้วก็บางทีก็งงงงว่าอแปลกเราไม่เคยเห็นตัวเองเราอยู่กับตัวเองมาเราไม่เคยเห็นนั่นแหละดีแล้ว<า>นะเจนะ้าขายเราทำมาเนี่ยเราเรียนเรื่องตัวเราเองเรียนจนเข้าใจมันะเข้าใจถึงขีดสุดนะจะไม่ยึดถือมันมันไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกนะดีทำถูกแล้วนะ ภาเปลี่ยนนะ่าอดทนไปเจ้าค่ะด้<ล>ความทุกข์นั่นแหละเป็นกําไรชีวิตแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> ทีนี้มีอีกนิดนึงที่อยากจะถามคือช่วงที่เจอกับความทุกข์หนักเพิ่งผ่านมินานแล้วมันเกิดสภาวะซึ่งแบบว่าเห็นก้อนแน่นมากในอกขึ้นมาเป็นลูกก้ <c oughs> อนเล็อแล้วทีนี้มันก็อัดขึ้นมาถึง <c oughs> ถึงหัวใจขึ้นมาลิ้นปีกันมาจนเรามีความรู้สึกว่าเราจะตายตรงนั้น <c oughs> แล้วมันก็แปลกคือคือไม่รู้ว่าตัวเองหลงหรืออะไรคือตอนนั้นเหมือนคนขาดสติที่แบบไม่แน่ใจคือแบบความรู้สึกทุกอย่างหายไปหมด คือความโกรธความอะไรมันไม่มีขึ้นมาคือเรางงงงเหมือนกับเราตัวเราก็ไม่มีมันหายไปหมดเออนั่นแหละเรามีสติขึ้นมาเจ้าค่ะเห็นแต่สภาวะนะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์เจ้าค่ะตรงนั้นคือก้อนทุกข์ที่มันรวมๆนะเจ้าค่ะแล้วไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ก้อนนั้นหายนะเจ้าค่ะอมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปเลยนะมาเห็นมีอะไรน่ารักเลยในกายในใจนี้ดูอย่างนี้แหละเจ้าค่ะเราที่โยมดูอยู่นี่คือพอจะถูกทางถูกแล้วสิ อย่างนี้แหละมันจะค่อยๆล้างกิเลสไปนะอนุสัยทั้งหลายความเคยชินชั่วๆทั้งหลายมันจะค่อยสลายตัวเพระเรารู้ทันนะเราไม่ทําชั่วเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะกลัไปดีภาวนาและเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์นะกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเคยไปฟังหลวงพ่อมาแล้วเข้าคอร์สมาแล้วได้ประมาณสามเดือนก็รู้สึกว่าชีวิตมีความทุกข์น้อยลงค่ะแล้วก็สั้นด้วยค่ะ แล้วแต่มันไม่เกิดปัญญาแล้วก็ไม่พัฒนาไม่เ้าหน้าทำไมทำไมไม่เกิดปัญญาทำไมไม่ไพัฒนารู้ไหมจิตมันว่างชอบนั่นแหลนะมันติดอยู่ตัวนั้นแหล ะ, ะนะมันไปติดความสุขซะแล้วมันเลยไม่เอาอย่างอื่นแล้วมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจนะ <c oughs> อย่าไปติดอยู่แค่นี้นะแค่นี้ไม่พอพยายามกลับมารู้สึกที่ร่างกายไว้อย่าให้ใจไหลไปอยู่ในว่างๆใจไหลไปอยู่ในว่างๆแล้วก็มันไม่เดินปัญญาละ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 อโยมฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบสองปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นอะไรเยอะแยะเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเห็นเห็นจริงหรือเปล่าคะหลวงพ่อเวลาเห็นนะเห็นห่างๆนะดูสบายๆดูไปอย่างสบายๆใจตอนนี้ไม่ค่อยสบายดูออกไหมมันอึดอัดตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมค่ะ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 หเห็นวูบวาบอยู่ข้างในตลอดเดยวูบ เ, เดี๋ยววาอะไร่าเงา้เราถลำลงไปจ้องมันอ๋ออันนี้คือถลำมันถลาลงไปอย่างเงี้ย<อ>ดูไม่ให้คลาดสายตานะใจมันหมกมุ่นในการภาวนามากไปออกมารู้กายบ้างเคยครั้งหนึ่งเห็นความคิดผ่านหน้าไป<ห>าแล้วเราเคยครั้งหนึ่งกำลังทำงานอยู่แล้วกลโกรธขึ้นมา เ, ออนนเห็นมันกระจายออกมาหมดเลยแต่ไม่ทราบว่าอะไรกอะไรนะเห็นอะไรนะเห็น เห็นใจใจมันเป็นยังไงเห็นความโกรธเห็นความคิดผ่านมาแล้วเป็นไงเห็นเหมือนมันมีเหมือนมันมีของหลายๆอย่างแตกกระจายออกไปอะค่ะใช่มันแตกไปหมดเหลยนะความปรุงแต่งทั้งหลายแตกสลายไปในขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาแต่มันแวบเดียวแล้วมันก็กลับเข้ามาโกรธเหมือนเดิมเออได้ดีแล้วแวบเดียวนั้นได้บุญเยอะนะครูบาอาจารย์เคยสอนนีภาวนาได้เนี่ย ช่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นได้บุญเยอะนะเห็นได้แวบนั้นแหละเแล้วก็เห็นเคยเห็นความเครียดมันกระเด็นไปเออนั่นแหละความกังวลมันแก่งอยู่ข้างในเออแต่เวลาดูอย่าให้ใจเข้าไปครุกวงในดูห่างหนางมันกล้เกินใช่ไหมมันครุกวงในมากไปอ๋ออ่ะต่อไปมีอีกไหมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ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 อย่างนี้จะสบายอย่างเดียวตัวจริงขี้โมโหนะไปเอาตัวจริงแท้ๆออกมาโมโหพูดพูดฟูดโมโหนะให้รู้บ่อยๆก็คือตอนนี้พอใช้ได้ไหมคะหลวงพ่ อ, อใช้ได้แต่มันไปกดไว้คนะ่ะขอบคุณค่ะถ้าตัวจริงมันโผล่ขึ้นมามัมานจะขี้โมโหนวัตการค่ะหลวงพอ่อสึกตื่นเต้นมากก็นึ่กที่จะพูดเพื่ อ, อแต่ว่าคือที่ผ่านมาที่หลวงพ่อ ดูว่าเคยมีโมหะแล้วก็มีเรื่องของการประคองนะคะช่วงหลังๆก็เริ่มเห็นเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนมันจะดูไหมจิตเราเปลี่ยนไปนะภาวนาถูกแล้วไปทําอีกก็คือภาวนาเหมือนกับความเพียนอยู่กับสมาธิทําอย่างนี้แหละดูไปช่วงนี้นูอยู่กับลมหายใจไม่ค่ได้ยินเนาะช่วงนี้ดูอยู่กับลมหายใจนะคะไม่ทราบว่ามันมีหายใจไปแล้วเห็นร่างกายหายใจไหมเห็นค่ะแป็นช่วงใช่ใจถึงตั้งมั่นขึ้นมาทําถูกต้องแล้วหายใจไปแล้วใจเป็นคนดู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 มันเป็นไปตามเหตุของมันไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะไปดูไปเรื่อยๆมันทํางานได้เองค่ะแล้วต้องใช้วิหารธรรมอะไรอะคะดูจิตไปดูจิตนะคะนะแล้วไม่ทราบต้องควรจะปฏิบัติรูปแบบแบบไหนรูปแบบนี้ควรทํานะไปถ้าเคลื่อนไหวได้ยิ่งดีคือคือตอนแรกเนี่สวนมนนะค ะ, ะนนแล้วบางทีไปหลงไปคิดก็รู้ว่าหล ง, งแล้วบาง<ช>ทีก็ง่วงนอนนะคะก็เลยคิดว่าควรจะหารูปแบบอื่นนะคะทั้าง่วงนอนก็รู้ขึ้นเดิน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 ค่ะก็คือเพราะว่าช่วงหลังนี่มาลองรู้ลมหายใจเข้าออกดูอพอรู้สักพักก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มง่วงนอนก็เลยลืมตาอ่ลืมตาซะของคุณพอไปรู้ลมนะใจมันมันสงบลงมาแล้วมันจะหลับเอาค่ะนะควรจะไปเดินจงกรมส<ะ><ช>กระดุกกระดิกไว้ดีกว่านะถ้าไม่ไม่มีที่เดินเดินไม่ถนัดก็นั่งขยับไม้ขยับมือไปเคลื่อนไหวอะอย่าให้อยู่นิ่งค่ะอ่ะต่อไปขอบคุณค่ะ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 ใจแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมค่ะเนี่ยรู้ไปอย่างเนี้ยนะดูกายไว้แล้วก็มันจะเห็นจิตชัดค่ะอย่าทิ้งกายนะของคุณค่ะก่าขอบคุณถ้าจิตมันไม่ค่อยมีแรงค่ะถ้าไปดูจิตเลยเดี๋ยวจะหลงไปนานอาจารยหลวงพ่อพรแล้วอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิไหมคะถ้านั่งก็นั่งรู้สึกตัวอย่านั่งเอาเครืมองนะของคุณมันพอใจจะเครื่อง่ายหรอกคาะขอบคุณค่ะหมดยัง เอาคนนี้ตรวจไปแล้วเมื่อกี้นี้นึกได้เอาว่าไปกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะโยมเคยฟังซีดีอยู่เจ้าค่ะอโยมมีอาชีพค้าขายแล้วกลับบ้านก็ต้องดูแลลูก อ, อันนี้โยมอยากจะได้กรรมฐานจากหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตประจําวันดูใจอ <นะ S 2> ของเราไปเลยน ะ, ะอย่างเราค้าขายอยู่วันนี้ไม่มีลูกค้ามาเนี่ยเราไม่สบายใจเันนเห็นลูกค้ามาเราพอใจเห็นลูกค้าวันนี้หน้าตากวนมากเลย ชักเกลียดมันแล้วแต่ต้องแกล้งยิ้มไวอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันว่าเกลียดเขานะกลับมาบ้านลูกซนลูกร้องเสียงดังบ้านวุ่นวายใจเราไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขรู้ทุกอย่างไปจำไม่เรืองหนึ่งนะคนเราจะสุขจะทุกเนี่ยถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะใจเรายอมรับได้นะเราจะทุกน้อยถ้าใจเรายอมรับไม่ได้ใจจะทุกเยอะ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 ดูแลบริษัทอยู่คนเดียวเนี่ย5แห่งนะนันเหนื่อยมากเลยแต่ละวันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่เขาก็ภาวนานะดูแลบ้านเสร็จให้สามีนอนให้ลูกนอนแล้วตัวเองยังมาเดินจงกรมอยู่เลยนะภาคเพียรต่อสู้เพราะอะไรเพราะชีวิตเนี่ยเห็นอะไรมันไม่มีสาระแก่นสารเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยมีเงินเยอะๆก็ไม่ใช่อย่าเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกนะอย่าเป็นนึกว่าถ้าเรารวยๆแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่จริงหรอกคนรวยนี่ทุกข์เยอะเลย ครับก็ขออนุญาตาทุกท่านในที่นี้นะครับ เ, เป็นตัวแทนในการกล่าวคำถวายอาของทีท่ปัจจัยที่ญาติโยมได้นำมานะครับข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจัยและทายารรมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้นแ ด, ด่พระอาจารย์ปราโมท ปาโมช โ, โมชโขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์บบชนเพื่อความสุ ข, สขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวรรรรรตราบสิ้นกาลละนานเทินสาธุยถาวาริวะหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอีโตดินนางเปตานังอุปกปฏิ อิิตังปะิตังดุมหังคิปะเมวาสมิจชตุสัพเพภูเรนตูสังคปาจันตดพนรโสยถามณิโชธิลาโสยถาสัพพีติโยวิวัติฉันตูสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารโยสุขีที่คาโยโกภาวะอภิวาฒนาสีลิสนิจจังมุทาปจายโนจัตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขัง พลังเดือนหน้าหลงเพ่อไม่ได้มานะมีงานที่อื่น